พวกเราคงเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะหลวงพ่อปานนี่เคยเล่าว่าสมัยที่ยังเป็นเด็กสามสี่ขวบ วันหนึ่งยายเนี่ยใกล้จะตายคนสมัยก่อนนี่ก็ตายที่บ้านนะก็ไม่ได้ตายที่โรงพยาบาลลูกหลานก็มาพูดเพื่อ น, นําทางผู้ตายนะประเพณีเนี่ยก็คือว่ามาบอกอรหังก็บอกกับผู้ที่กําลังจะตายเนี่ยคือยายว่าเนี่ยอรหังอรหังนะแม่ภาวนาอารหังไวนะออ้นะเดี๋ยวพระอรหังจะมาช่วยเนีย ก็พูดอรหังอรหังเนี่ยอยู่หลายครั้งจนกระทั่งยายก็สิ้นลมต่อมานะั้นไม่กี่วันนะขณะที่กาลังกินอาหารอยู่นะกินข้าวเนะี่ยคนไทยสมัยก่อนก็กินข้าวเป็นวงพร้อมกันพร้อมหน้าเด็กชายปานอารมณ์ดีครื้มหลดรื้มใจอาหารอร่อยก็เลยก็เลยพูดขึ้นมาว่าอารหังอรหัง ปากว่าแม่โกรธมากเลยนะบอกว่ามึงจะไปตายก็ไปตายคนเดียวนะจะมาพูดอารหังที่นี่ได้ยังไงคำว่าอารหังเนี่ยคนจะตายเขาถึงพูดกันนะไอ้นี่มึงมาพูดอารหังเนี่ยนะเป็นลางล้ายจะแช่งให้คนอื่นเขาพลอยตายไปด้วยนะเด็กนี่งงเลยนะทจริงก็น่าจะงงนะ ตาตมาอยู่ตรงนั้นององคงงงเหมือนกันนะเพราะว่าอารหังนี่เป็นคำดีนะเป็นคาดีอย่างเนี้ยเมื่อกี้เราก็สวดสัมมาอารหังนะดีเพราะอะไรเพราะว่าทำให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้านะอารหังแปลว่าผู้กายจากกิเลสนะเป็นคุณนามหรือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้านะ อรียาอารหังสัมมาสมัมพุทธโทเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองคำว่าอารหันหรือพระอรหันนี่ก็มาจากอารหังนี่แหละนะเป็นผู้ไกลจากกิเลสที่นำนำจิตผู้ไกลตายด้วยการพูดว่าอารหังอรหังนี่ก็เพื่อให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้านะเราลึกถึงพระพุทธเจ้าทําให้จิตใจเป็นกุศล ทำให้หายกลัวจะตายแล้วก็หายกลัวนึกถึงพระพุทธเจ้าจิตใจก็เกิดปิติปราโมดแต่ว่าคนจำนวนมากสมัยก่อนอาจจะรวมถึงสมัยนี้ด้วยเนี่ยไปเข้าใจว่าอารหังเนี่ยนะเขาเอาไว้พูดกับคนตายหรือคนใกล้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเด็กชายปานเนี่ยพูดขึ้นมาว่าอารหังอรหังกลางวงข้าวเนี่ยแม่ก็เลยโมโหหาว่าแช่ง อันนี้เพราะไม่เข้าใจนะไปไปติดอยู่กับประเพณีว่าจนเข้าใจผิดว่าอารหังนี่เขาใช้พูดเฉพาะเวลาคนใกล้าตายถ้ามาพูดในเวลาปกติเป็นมันจะเป็นลางร้ายก็เป็นเวลานานา น, นะที่แม่เนี่ยของอหลวงพ่อปานี่เข้าใจผิดมาตลอดก็คงจะุลมคนอื่นด้วยจนกระทั่งหลวงพ่อตา เด็กชายปานตอนหลังก็มาบวชพระเราก็เข้าใจเลยอ๋ออรหังเนี่ยมันเป็นคําดีนะเป็นสุดยอดเลยแหละคําว่ากายจากกิเลสพ้นกิเลสพ้นทุกเนี่เป็นของดีของวิเศษทีเดียวตอนหลังก็มาแนะนําให้โยมแม่เข้าใจว่าอารหังนี่มันแปลว่าอะไรแล้วก็มันไม่ได้ใช้เฉพาะเวลาพูดกคนตายนะเวลาถวายสังฆทาน เวลาจะทำความดีนะเวลาจะรักษาศีลสมาทานศีลก็เราก็อ้างถึงคุณพระรัตนไตรนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้เข้าใจนะว่าความว่าอารหังก็ดีหรือควาว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยวนแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้น เรื่องนี้มันก็ชี้ห น, หนึ่งคนที่ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจความหมายพอทําตามประเพณีมากๆ ก, ก็เลยไปเข้าใจผิดผิ ด, ผ ด, ดพลาดไม่ได้เข้าใจผิดเรื่องนี้อย่างเดียวเข้าใจผิดเรื่องอื่นด้วยนะเพราะว่าไปติดที่ประเพณีพิธีกรรมหรือติดที่รูปแบบเช่จนจะสมาทานศีลได้ก็ต้องมีการกล่าวมีพิธี ไม่อย่างพันเตวิสุงวิสุงอะไรอย่างเนี้ยหรือต้องมีพระมาให้ศีลจี้จิงสมาทานศี น, นี่ทำที่บ้านก็ไดนะ้เพราะว่าแค่ตั้งใจทําเจตนาที่จะสมาทานก็ถือว่าสําเร็จแล้วบางคนไม่เข้าใจว่าต้องมาสมาทานศีลที่วัดเนี่ยถ้าไม่มีพระก็สมาทานไม่ได้อ น, นี้เข้าใจผิดนะพอไปติดที่รูปแบบพอเห็นว่าเขาสมาทานศีนกันในวัดก็เลยคิดว่า ต้องทาที่วัทนนั้นนะหรือจะถวายสังฆทานก็ต้องมีคำกล่าวอิมานี่ไม่ยงพันเตะเงี้ยบางคนกล่าวไม่ได้ท่องไม่เป็นอ่าหรือว่าท่องไม่ได้นะก็เลยไม่กล้าจะจะถวายสังฆทานบางคนเนี่ยหนักกว่า น, นั้นเนี่ยไม่รู้ทำเนียมพระไม่รู้ว่าจะพูดกับพระยังไงก็เลยไม่กล้าเข้าวัดเสียโอกาสที่จริงเนี่ยนะ ไอ้เรื่องนี้มันเป็นประเพณีนะรูปแบบอย่าไปยึดติดกับมันยึดติดแล้วมันจะกลายเป็นผลเสียได้นะเกิดความเข้าใจผิดในอย่างที่โยมแม่ของหลวงพ่อปานเนี่ยเข้าใจนะอรหังนี่มันพูดไม่ได้นะในวงข้าวหรือพูดไม่ได้ในยามปกติเรื่องนี้มันก็ชี้เห็นสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นหนึ่งนะคือไปมันเกิดความเข้าใจว่าธรรมะเนี่ย มาใช้ก็ต่อเมื่อในยามที่ประสบทุกข์หรือว่าจะนึกถึงธรรมะก็ในยามที่เจ็บป่วยใกล้าตายจะใกล้าตายแล้วถึงค่อยมาเอ่ยถึงอรหังสัมมาสัมพุโทโธหรือว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระอรหันต์แต่เวลาปกติเนี่ยนึกถึงก็ดีพูดถึงไม่ดีพูดนึกถึงก็ดีพูดถึงก็ดีกลายเป็นไม่ดีไปนะกลายเป็นแช่งไปเนี่ย หรือว่าเวลาปกติแล้วก็ไม่นึกถึงพระธรรมไม่นึกถึงคำสอนของผู้เจ้าเลยนะอันนี้มันไม่ถูกนะเพราะว่ายิ่งเวลาปกติยิ่งเวลามีความสุขมีความสำเร็จมีความเจริญเนี่ยก็ยิ่งต้องนึกถึงธรรมะให้มองมากเพราะว่าไอ้ความสุขความเจริญความสำเร็จเนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่เที่ยง สักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปต้องสลายไปสุขภาพที่เราดีตอนนี้สักวันหนึ่งก็ต้องกลายเป็นเจ็บต้องป่วยที่ยังหนุ่มยังสาวต่อไปก็ต้องแก่ต้องเหี่ยวย่นนะที่ร่ารวยก็อาจจะกลายเป็นตกอับจากจนก็ได้นะนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกบางคนเนี่ยได้เงินมาสี่สิบล้านนะ ได้เงินมา40ิบล้านบาทอัดฉีกันเต็มที่วันดีคืนดีผ่านไปสี่หปีหรือว่าเจ็ดปดปีบางทีไม่ถึงสี่หปีปรากว่าเป็นหนี้ซะละเป็นหนี้เขาเป็นล้านเลยแต่บางคนติดเล่าสิกนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เฉลียวใจไม่ได้คิดว่าไอ้ความสำเร็จความร่ำรวยมันเป็นของไม่เที่ยงงันถ้เกิว่าตอนที่เราสาเร็จเรามีความสุขเนี่ยรลึกถึงธรรมะเอาไว้ นะมันจะได้เตือนใจว่าถึงเวลาเสื่อมถึงเวลาขาลงมันจะได้ไม่ทุกข์นะจะไปคิดว่าท ร, ร ม, มานี่เอาไว้ใช้หรือนึกถึงเฉพาะตอนที่มีทุกข์นะหลายคนเนี่ยนะพออกหักพอตกงานพอเจ็บป่วยถึงค่อยนึกถึงพระนึกถึงวัดนะก็ดีอยู่นะดีกว่าไปนึกถึงเล่าไปนึกถึงอาอบายมุกนะหรือว่าไปคิดค่าตัวตาย แต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะในยามสุขก็ต้องคิดถึงธรรมะคิดถึงวัดคิดถึงพระพุทธธรรมประสงค์ไว้ด้วยไม่ใช่คิดถึงเดียวปฏิบัติ ด, ด้วยนะอันนี้มันจะทำให้ได้รับประโยชน์แห่งได้รับประโยชน์ในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะอย่างเต็มที่หรือว่าได้รับประโยชน์แห่งความเป็นมนุษย์นะเพราะคนเรานี่เป็นมนุษย์ถ้าปราศจากธรรมะแล้วเนี่ย มันก็อาจจะกลายเป็นเป็นสัตว์หรือเป็นเดรัจฉานได้หรือถึงแม้จะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็อาจจะตกนรกเพราะความทุกข์นั่นอรหังก็ดีหรือว่าธรรมะโดยรวมก็ดีเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะมาใช้นะในเวลาทุกเวลาใกล้าตายในเวลาปกติสุขก็ต้องใช้นะพูดถึงเรื่องนี้ก็ทําให้นึกถึงนะพระเนี่ย เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาคนเจ็บคนป่วยเห็นพระเนี่ยบางทีนึกว่ากำลังจะตายนะเพราะว่าพระเนี่ยในระยะหลังเนี่ยนะคนจะไปเจอพระเนี่ยก็เวลาที่มีการศพนะจะไปวัดก็ตอนที่มีคนตายนะแล้วตอนหลังพระนี่ก็สวดศพซะเยอะนะ พิธีที่พระนี่อทํามากที่สุดนะแล้วก็ทําอะไรได้เป็นก่อเป็นกรรมให้กับพระมากที่สุดคืองานศพนะพระวัดไหนที่วัดไหนที่มีงานศพเยอะนี่พระนี่จ ะ, ะฐานะดีทีเดียวใครจะย้ายมาอยู่วัดนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเซ้งกันนะจะไปจะไปอยู่วัดอื่นมีคนอื่นมาแทนที่ก็ต้องเซ้งกันเนี่ยขนาดนั้นอันนี้วัดในเมืองนะ มีบทบาทของพระตยะกหลังในเมืองก็เป็นเรื่องการสวดศพนะคนแก่คนเจ็บคนใกล้าตายบางคนนะพอเจอพระนี่ใจเสียแล้วเนื่องว่าตัวเองใกล้จะตายอันนี้เหมือนในญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยนะคนป่วยเนี่ยนะเวลาเจอพระญี่ปุ่นเนี่ยเขาใจเขาเสียเลยเพราะว่าพระญี่ปุ่นเนี่ย ทำแต่เรื่องสวดศพอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีเลยนะอาตมาเคยไปประเทศญี่ปุน่นแล้วก็มีเพื่อนเป็นพระชาวชาวญี่ปุน่นเวลาท่านจะไปเยี่ยมจะไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติโยมเยี่ยมคนที่อยู่ในบริเวณเ็ระอุบาศกก็แลอ้อุบาศกอุบาสิกาที่เป็นสมาชิกวัดเนี่ยวัดแต่ละวัดต้องมีสมาชิกนะ ไม่ใช่ว่าใครๆจะเป็นได้ต้องเข้าสมัครเป็นสมาชิกพอสมาชิกวัดป่วยเนี่ยในโรงพยาบาลท่านจะไปเยี่ยมนี่ท่านเพิ่งเสร็จจากพิธีนะเพิ่งเสร็จจากพิธีที่โน้นที่นี่นะเสร็จงานสมเนี่ยจะมาเข้าโรงพยาบาลไปเยี่ยมต้องถอดก่อนนะถอดพวกเครื่องแต่งกายหรือจีวรแบบพระออกก่อนแต่งตัวเป็นคนปกติถึงจะไปเยี่ยมได้แต่มาก็ถามว่าทำไม ทำไมต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก็บอกว่าเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเห็นพระเป็นลางร้ายถ้ามาเยี่ยมแล้วก็แต่งชุดพระเนี่ยพอพระเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีแต่จัดงานศพหรือสวดให้คนตายส่วนใหญ่มีเท่านั้นแหละนะแล้วก็งานศพก็เป็นรายได้ที่เป็นรายได้ที่เป็นกอเป็นกำนะให้กับวัดแล้วก็พระมาก ถ้าไม่สวดงานศพก็สวดทาบุญให้กับคนตายเมื่อครบหนึ่งปีเมื่อครบสามปีเมื่อครบเจ็ดปีเนี่ยแล้วคนที่จะมาใช้สิทธินี้ได้ต้องเป็นสมาชิกวัดนะถ้าไม่ใช่สมาชิกวัดจะไปขอให้พระนี่มาสวดโน่นสวดนี่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าสมาชิกวัดน้อยพระก็แย่มนกันนะอันนี้พูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะแต่ที่อยากจะพูดคือว่าเนี่ยอย่างนี้ในญี่ปุ่นเนี่ย พระนี่เป็นเครื่องหมายของคนตายเบ็นศรับางทีเรียกศาสนาพุทธในญี่ปุ่นว่าเป็นศาสนาแห่งงานศพนะศาสน า, าพิธี <c oughs> ศพ Funeral Buddhism นะอ่าด้นนี้นี่เป็นคำที่ใช้เรียกศาสนาพุทธในญี่ปุ่นนะ Funeral แปลว่างานศพพิธีศพพระน้่พอเจอพระเนี่ยถ้าแต่งชุดอ่าพระเต็มยศเนี่ยในโรงพยาบาลนี่คนก็นึกว่าจะมาแช่งซะแล้วนะ ต่อไปเมืองไทยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเจอพระในพุทธศาสนาม า, าในโรงพยาบาลนี่ก็คนก็นึกว่าจะมาจะม า, าทำบุญให้คนใกล้ตายจะมานำทางคนใกล้ตายาก็ใจเสียเนะเพราะคิดว่ายังอยู่ได้อีกนานเ น, น ต่ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็มีพระมาเยี่ยมนะมาเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลมากขึ้นไม่ใช่ไม่เฉพาะคนที่ใกล้ตายนะถ้าพระมาทำบทบาท น, นี้เนี่ยก็ทํทำให้คนเารู้สึกว่าพระเนี่ยมีเป็นสัญลักษณ์ของอความเมตตากรุณานะไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของความตายหรือพิธีศพนะอันนี้ก็มีพระที่ไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลมากขึ้นไม่ใช่รอให้ตายแล้วถึงค่อยทำพิธีศพนะอันนั้นมันไม่ถูกต้องนะ